ท่านสาธุชนผู้บริษัตรทั้งหลายวันนี้คงเป็นวันเดียวกันคือวัน 2532 <c oughs> ข้อก็ยังไม่ดีมากตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องที่บรรดาญาติ พ่อก็ยังไม่ดีมากก็ยังไม่ดีมากตอนนี้ก็ 16 กลับ 30 เมษายน 2532 คณะ 1 พระโกธมยานเถระ คุณแสงโสมคุณพรนลคุณบุษเพ็ญคุณศิริพรคุณอัญเชิญขออัญชันคุณวิวัฒน์และคุณอัญเชิญขออัญชันคุณวิวัฒน์และคุณปรีชาคุณปรงพลนรดโทสมศักดิ์สืบเสงวนคุณธนงหัวหน้าทัวร์ อ่านรวดโทชื่อคนโดยมากมักจะ มองอย่างเดียวสงเคราะห์ในการปฏิบัติ <c oughs> 12 เที่ยว 12 ครั้งรุ่ง ในเมื่อมันจะตายก็ไป 17 ชั่วโมงถึงถึง 31 ชั่วโมงถึง เมื่อเป็นถึงเชือกกับก่อปี พ.ศ. 2530 มันจะตายไอ้การเครียดมากท้องอืดให้เนียมเครือแล้วก็ไม่ยอมฉีดยาแล้วก็ไม่ลดท้องไม่ทายใช้ล้างท้องเอาน้ําล้างท้องใส่เข้าไปน้ํามันไม่ยอมออกก็ต้องใช้สังติอย่างหนักเค้าได้แต่เวลาเจริญกรรมฐานพบกับญาติ <c oughs> ไม่มากนักกําลังเสียงปีนั้นก็ได้ใช้ก็ได้กําลังเสียง <c oughs> รู้จักผมรู้จักเทวดาดีใจมากแล้วก็ต่อมาปีนั้น <c oughs> อาการป่วยปีนั้นถึงปีนี้มันยังไม่หายที่ <c oughs> Vocês turned on paths, hitting on the other side creo 1 Anoop's time spoken with the same person低 with the same person Oh, there's a a lot of rage But it's too bad you can't speak But this type is around a pace here, and the other person père��이 don't propose They just hope seeing theOrch Heavens Keep thinking, when talking to the uncovered angels, they drawers they have to come When the night that we are still getting Atlas Connie just กล่าวความว่าการเม 16 เมษายน 2532 กรุงเทพฯ เอ่อเขาบอกว่าที่ประหลาดวันอาทิตย์เวลา 21:00 น. เสีย 00 น. เส น, นพร้อม 8 เวลา 23:00 น. เดินทางจาก UA 822 สู่ญี่ปุ่นต่อ ยังเอาแค่นี้ก่อนต่อเอาแค่นี้ก่อนเค้าว่าๆเวลาโดยเฉนนั้นไปครึ่งครึ่งครึ่งขึ้นตั้งตอนที่จะไปก่อนไอ้การท่าร่าง <c oughs> <c oughs> ท้อแท้ใจคิดว่าจะไม่ไปไปแล้วไม่ไปไปแล้วไปตัดสินใจมา 2 เดือนแต่พอดี จะเริ่มมีไข้หวัดพอถึงเดนเวอร์คอจะพูดไม่ออกฉะนั้นเดนเวอร์คนหาที่พักสงัดหมายความว่า <c oughs> เมื่อเดินทางกลับมาการก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าเรื่องของทางพวกไอ้ไปถึงไม่ หมอเจรุนหมอมนตรีสมเอ่อแสงโสมชนะหมอวัฒนะใครบ้างหมอปุ๋ยกำลังกินโต๊ะร่างกายกันอีกว่ากันเต็มที่น้ําเกลือเตรียมไป ราวนี้พระท่านบอกร่างกายจะดีขึ้นเอาไปแค่ 4 ถุงก็แล้วกันก็เป็นอาภาพไปแค่ 4 ถุงก็ไม่ได้หัน ส่งสตางค์มาให้สงเคราะห์ 30,000 หรือ 60,000 ไม่ทราบลงทิ้งหมก ร่างกายของคนที่มันไม่ดีอยู่แล้วของมันก็แก่ที่มันไม่ดีอยู่แล้วไอ้ความแก่มันก็ไม่เป็น 55 นาที พูดเป็นฎีกาญี่ปุ่นก็มันถึง 4:00 ของเราเมื่อนั่งไปอย่างนั้นมันจะหลับไม่ได้ที่หลับได้จริงๆคือพระสมภงค์อาตมารูปร่างหน้าตาที่คล้ายๆ ไม่ก็ฝันเลื่อยเฉื่อยไปนั่งไปบ้างทำเนี่ยพส <c oughs> 32 ไอ้คนผู้นั้น 8 หรือ 9 คนจําไม่ได้ไม่รู้กี่คนตอนนี้ก็นั่งนั่งใน ปีนี้แปลกจะทุกเที่ยวทุกเที่ยวนึกบ้างไม่ แต่ความจริง 60,000 แต่ว่าบางอื่นเค้าไม่มีที่ให้นั่งเที่ยวแต่มันก็นั้นที่ เอานาบ้างพิจารณาบ้างแต่ไม่ทุ่มฮะมันกลุ่มไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีความจําเป็นจํากัดที่ ประมาณ 2 มันก็เคลื่อนไปเคลื่อน ในการ เค름 มีการจิตตกวูบไปคลายความรู้สึกภายนอกเล็กน้อยก็เหมือนกับ เมื่อกับกับการห้อมล้อมเครื่องบินทั้งข้างล่างทั้ง คนที่นั่งข้างหน้าดีหน้าตาดีแต่คนข้างหลังยืนเป็นลักษณะคนสูงโสสูงคน เพื่อความรู้สึกอย่างนั้นความรู้สึกก็อะไรก็ไม่ทราบไอ้ภาษา เป็นนว่าสมัยเจ้าชัยโกโนเยญี่ปุ่นพร้อมจะเข้าสงครามเป็นสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็ไม่ได้เข้าต่อมา ในพลเอกอ๋ออย่าเป็นพลเอก 2 เป็น เวลานั้นมี 2 ฝ่ายฝ่ายอักษะมีสามัคคีคือเยอรมันอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นนอกจากนั้นเป็นฝ่ายสหพันธมิตรเมื่อเจ้าชายโกโนเยฟประกาศสงครามญี่ปุ่นก็เข้าสงครามทิ้งตอน ก็ถามว่าคุณชื่ออะไรความจริงจะถามคนหน้าแต่ว่าคนหลังตอบว่าผมนะเพราะว่า เวลานั้นอ่านหนังสือพิมพ์บ้างบ่ได้อ่านบ้างเวลาสงครามมันก็พ้องกับแท่งเต็มทีสําหรับเจ้าชายโกโนเย แต่ทมเทกำลังมากว่าอย่างนั้นก็แสดงว่าเจ้าชายโกโนเออเจ้าท่านโตโจก็ต้องบาป ถ้าทหารทุกคนที่ตายไปท่านต้องบาปด้วยเค้าจากความสุขท่านก็ต้องบาปแล้วเวลานี้ท่านมายืนอยู่ที่นี่อ่ะแต่ท่านไม่ได้ลงนรกนะคนที่มายืนที่นี่แสดงไม่ได้ลงนรกท่านบาปขนาดนี้ทําไมจึงไม่ลงนรกเมื่อถามแล้วในพลโตโจ ผมจะเล่าให้ฟังเมื่อท่านพูดถึงบาป การทําให้คนตายต้องบาปสั่งให้คนไปตายต้องบาปสั่งให้คนไปฆ่าคนมา แต่ว่าโตโจท่านเป็นนักรบท่านอาจจะมีฌานวิญญาณก็ ในเอวันที่เขาจะฆ่าผมผมรู้วันล่วงหน้าคําว่ารู้ ไม่มีอะไรจะคุ้มความตายได้ผมต้องตายแน่ฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของผมก็คือ มีนรกกว่าที่ไปถ้าบางเวลานี้ในเมื่อผมจะตายผม ก็แปลอธิปประเทศอุตสาหกรรมซึ่งมีความจําเป็นต้องรบเพื่อทรงรอดของตัวเองจึงสั่งธรรมประกาศสงครามกับฝ่ายข้าเสือทั้งลงมือรบกันฉะนั้นในเมื่อขณะที่ผมจะตายวันๆที่ผมจะตายคนนึกถึงพระนึกถึง ผมว่าผมก็ไปตามใจผมนึกผมจึงไม่ตกนรกแล้วแต่ก็ไม่ได้บอก <c oughs> รวบรวมกําลังใจใหม่อยากจะพบ 2 คนนี้ไม่มีแล้วอาการอย่างนี้บรรดา ที่ไปถึงไหนเสียกําลังพลเท่าไหร่ใช้ ก็น่าจะคุยกันสักนิดอย่าคุยมากเลยเข้าไปที่ญี่ปุ่นกันดีกว่าเป็นอันว่าหลังจากนั้นมามองเปิดหน้าต่างคือเปิดไอ้ประตูหน้าต่างหน้าต่างเครื่องบินจากข้างนอกก็มีปสิติ ที่ประเทศญปมาดูเป็นเวลาประเทศไทย 4:00 น. นแต่ แต่ความจริงจะเห็นเห็นใหญ่คุณทนงเล่าเรื่องโน้นเล่าเรื่องนี้เอ๊ะสงสัยเหมือนกัน แต่ความจริงเรื่องที่คุณธนรงค์นาทีแต 4 นาทีก็คุยเปะปัดไปก่อนจะคุยเรื่องสงครามโลกบ้านเป็นวัดก็ไว้นี้เล่ากันก็ ก็ๆไปเข้าใกล้ประเทศญี่ปุ่นเห็นเริ่มๆกับคุณ ต้นสังวุธคือว่าพระวิรัตน์เนี่ยมันจะหลับเลยเหมือนกันขยับตัวทุกครั้งพระวิรัตน์ <c oughs> มันก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนิดๆหน่อยเพราะเป็นธรรมเนียมหลังจากว่าเจ้าห้องส้มก็ถึงสนาม รอบรั้วของญี่ปุ่นเนี่ยเข้าข้างในไม่ 55 นาทีก็จะเวลาอีกมากคนทนงหายาก ก็คนนองครับไปขอย่าแก่จะบอกจะเข้าไปเลย ไปดูของแล้วดูยะพ่ออย่างยิ่งหอมไม่ทราบดูจะเป็นกิโลเป็นหมื่นๆราคาเป็นหมื่นเยนเป็นแต่ไทยก็ตา จึงมี